ตั้งใจให้มันแน่วแน่อย่าให้ใจวอกแวกตั้งอยู่ในความอดทนอดกั้นต่ออุปสรรคต่างๆชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังมรานท่านกล่าวไว้ ชีวิตคือการต่อสู้มันเป็นความจริงเราเกิดมาต้องมาพบกับอุปสรรคต่างๆนานาสารพัดเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงทำแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายหนึ่ง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 แต่คนธรรมดาสามัญมั น, มนวางไม่ได้เมื่อทำอะไรไปมันติดขัดกัดข้องทำไปไม่ไหวก็ บ, บนกันเป็นทุกข์ใจหนักใจหลายวุ่นวายบางทีก็เลยทะเลาะวิวาดกันผู้ร่วมการร่วมงานด้วยกันโทษต่างฝ่ายต่างกดโทษซึ่งกันและกัน อีลุงตุงน่งไปหมดเลยเนี่อย่างนี้แหละคนปุถุชนคนธรรมดาสามัญ น, นะมันมีความยึดถือไม่สามารถจะปรงจะวางเรื่องต่างๆที่ตนยึดถือไว้นั่นได้ดังนั้นอนะ่ะมันจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนกันนั่นนะ <c oughs>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 การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งประสงค์อย่างนี้เองเนะให้พากันเข้าใจอันสามัญสานึกนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นจริงคิงผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วเกิดขัดข้องขึ้นมาหรือผิดหวังลงไปก็บนทุกบ่นร้อนกันอยู่อย่างนั้นนะบางทีก็พานทะเลาะ ก, กัน ในระหว่างผัและเมียก็มีในระหว่างเพื่อนผงด้วยกันที่ร่วมงานกันก็มีแตกสามคีกันไป อ, อันมูนีอันนั้นเป็นวิสัยของบุทุชนบันนี้เมื่อเราหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็นไปตามคําสอนของพุทยเจ้าหัดปรงหัดวาง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 พึงเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีตอบ mm hmm. อโกเทนะชิเนโกทังพึงเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอนาดริยังดาเนนะพึงเอาชนะความตเีนด้วยการให้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 ก็จะหายความตนีที่เหนียวไปมันจะนึกละอายใจมีแต่เพื่อนให้ตัวไฟเดียวแต่แล้วตัวไม่ได้ให้อะไรเพื่อนเลยอย่างนี้นะมันก็นึกละอายใจเป็นแหละคนเรานะเวียนเสียแต่คนที่หนาไปด้วยกิเลสจริงๆอันนั้นมันก็ว่าก็อย่างว่านั่นนะคนปลอกลอกมันเห็นแต่แก่ได้ไฟเดียวเสียให้น้อย คิดเอาให้ได้มากอันนี้เป็นนิสัยของคนปอกหรอกก็อย่าไปคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นต่อไปเรามาได้ฟังคำสั่งสอนของพทธเจ้าอย่างนี้นะเป็นวาสนานาบุญจริงๆนะอถ้าผูใ้ใดไม่ได้ฟังคำสอนของพทธเจ้า ไม่รู้แนวทางปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะสะสมกิเลสหนาแน่นไวในตนมีแต่พอกคูณกิเลสให้หนาแน่นขึ้นเพราะว่าไม่รู้จักทางระบายกิเลสเลยฮะไม่รู้จริงๆนะลองนึกนึกทบทวนดูก็ได้ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ย ใครๆเกิดมานี่ต้องนึกทบทวนดูชีวิตของตนได้แน่นอนเลย <c oughs> แต่เมื่อเรายังไม่รู้ศีลธรรมน่ะ <c oughs> จิตใจเป็นยังไงนี่พอทบทวนได้ทุกคนแหละ <c oughs> ความประพฤติความเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรอั <c oughs> ไน้มาเทียบกับเมื่อเวลาเราตื่นตัว ได้ฟังคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมานะมันต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อเราทบทวนดูก็สรุปได้เลยมาดนนีสรุปได้่าถ้าหาก ว, ว่าเราไม่ได้มาพบคำสั่งสอนของพรเุทธเจ้านี่เราจะต้องสะสมกีเลรบาปประธรรมไม่หนาแน่นขึ้นในจิตใจนี่ มากมายทีเดียวเออ่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จักทำความดีอะไรให้เป็นบุญบรารมีที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ให้ถึงความสุขความเจริญไดอ้อันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นะน่าเป็นลาภอันประเสริฐเราได้มาพบ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 อย่าให้มันผิดทางปฏิบัติผิดทางนั่นก็ได้แก่ความประมาทความลนเลอ่อความเป็นผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจอันนี้เป็นบทบาทสำคัญที่อยาให้คนเราเดินทางผิดไปพอเมื่อไม่สำรวมแล้ว ถูกโมหะความหลงครอบงำเข้าจิตใจก็มืดมนมองดูบาปบุญคุเท่อะไรก็มองไม่เห็นเลยอมองหนทางพ้นทุกข์ต่างๆมองไม่เห็นตลอดถึงมองดูผลแห่งทานแห่งศีลมูนี้นะมองไม่เห็นเลย <c oughs> เมื่อมองไม่เห็นแล้วอย่างนี้มันก็มันก็เสื่อมศรัทธาลง <c oughs> มันก็เสื่อมศรัทธาการประพฤติปฏิบัติตามคำสองอุทธเจ้าก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามองไม่เห็นผลในใจอันนี้แหละ เป็นจุดให้คนเราเกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาให้ระมัดระวังให้มากเพราะนั้นเมื่อเราให้ทานโยอย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาผลของทานนั้นให้มันเห็นด้วยใจของตนจริงๆว่าทานนั้นมีผลดีจริงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อมันเห็นผลแห่งทานนั้นด้วยตนเองขึ้นมาได้แล้ว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 อภัยทานอา้าใครมาชวนทะเลาะวิวาทเราก็ไม่ทะเลาะด้วยใครด่าว่าเสียดสีมาเราก็ให้อภัยเข้าไปเราไม่ตอบโต้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราเรียกว่าเราให้ทานอย่างสูงเลยทีเดียวท <c oughs> ่านเรียกว่าอภัยทาน แล้วกพิจารณาถึงผลแห่งการรักษาสินการรักษาสินที่เรารักษามานี่นะมันมีผลอย่างไรบ้างได้รับผลอย่างไรก็ต้องทบทวนดูให้ ร, หรู้ให้เข้าใจการรักษาสินก็หมายถึงว่าความสารวมกายวาจาไม่ไปให้มันไปเบียดเบียน บุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน <c oughs> <c oughs> นี่ว่าเอาแต่ใจความบัดนี้เมื่อเรามาทบทวนดูว่าเมื่อเรารักษาศีลมานี่เราไม่ได้เบียดเบียนใครใเป็นทุกข์เดือดร้อนนะแล้วเราสบายใจไหมแน่นอนอ่ะอนนะทุกคนก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าสบายมากเพราะนึกหาศัตรูไม่มีเลย แต่ละวันแต่ละคืนตนสำรวมกายด้วยดีสำรวมวาจาด้วยดีจะทำอะไรพูดอะไรก็มีสติกำกับเสมอไปไม่ผิดพลาดจากศีลจากธรรม <c oughs> เพราะฉะนั้นศัตรูจึงไม่มีเมื่อไม่มีศัตรูนอนก็หลับสบายดีไม่ต้องสะดุง้งกลัวว่า ไทยเขาจะมาคิดเบียดเบียนตนเพราะตนไปทำเขาให้เดือดร้อนไม่มีนี่แล้วอา น, นิสงส์ศินที่เราจะพึ่งได้รับในปัจจุบันนี้ <c oughs> อา น, นิสงส์แห่งการภาวนาก็ควรประเมินดูควรทบทวนดูตั้งแต่เราภาวนาสมาธิมานี่นะมันได้ผลมากน้อยเพียงใด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 ความเป็นทุกข์มันก็ติดตามกันมาพอเมื่อเรื่องกายเนี่มันสุดโซลงไปแล้วมันก็ไม่มีกำลังเรียวแรงเหมือนแต่ก่อนจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากจะเดินเหินไปมาทางไหนก็ยากอันมูนี่นะความลักษณะของความทุกข์ความทนได้ยากทนอยู่ไม่ไหวมันก็ปรากฏชัดอยู่ป่านนี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นนะ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 อันก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนน่ะ <c oughs> เพราะวิญญาณความรู้อันนี้มันยังไม่แกกล้า <c oughs> มันก็เป็นธรรมดา <c oughs> แต่เมื่อเราเจริญไปบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากเข้าไปแล้วความรู้ความเม็นอันนี้มันก็จะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆผู้ใดภาวนา <c oughs> พิจารณาเห็น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 วันไว้กับร่างกายสังขารนี่แหละวันไว้กับอํานาจของกิเลสนี่เองเนะนี่ให้คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นแหละถึงอย่างไรนะบุคคลจะพ้นทุกได้มันต้องมามีความเพียรความอดทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุได้เกิดทุกนี่ให้เต็มความสามารถ <c oughs> ให้ได้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 เราจะเพ่งดูความรู้อันนี้พอมันขยับจะคิดเราก็กำหนดทันทีข่มจิตไว้ทันทีนี่ต้องเข้มแข็งนะ่ะไม่เข้มแข็งไม่ได้เราจะปล่อยไปลอยๆอ่างนียจะให้มันหยุดคิดเองไม่ได้นะจิตเนี่ยตัวเองหละต้องข่มตัวเองต้องสะกดตัวเองไว้ <c oughs> อันนี้เป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายดังนั้นเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วอย่าไปท้อไปถอย <c oughs> ถ้าเราท้อถอยแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีถ้าในชาตินี้เรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วยังฝึกตนให้ดีไม่ได้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 <c oughs> ก็สอนใจของตนเข้าไปเมื่อสอนใจตนได้มันก็อดทนได้นี่อย่างนี้นะ อ, อ่มันก็ทำให้กำลังใจของเราเข้มแข็งขึ้นเมตตาก็เข้มแข็งขึ้นเราก็สงสารเขาด้วยนะคนที่โกรธตนน่ะนะเออหาสงสารเพราะว่าเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเขาจึงเป็นอย่างนั้น